มาจากอัลลอ์เหมือนกันแต่อัลลอ์สั่งให้อลมะมาของยาฮูดีอลมะมาของนาสราณีอลมะมาของพวกรุ่นเก่าๆ เ, เนี่ยให้ดูแลเนี่ยถ้าเขาดูแลกันไม่ได้ที่ว่าดูแลไม่ได้เนี่ยใครบอกในคัมภีร์กุรอานอธิบายไว้เลยอัลลอ์ให้พวกอลมะมาเหล่านี้ดูแลคัมภีร์สามีฉบับที่มาจากอัลลอ์ แต่พวกเขาดูแลไม่ได้เหลือฉบับสุดท้ายนี่อลัลลอ์บอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันขอดูแลเองฉนันกุ่นอ่านแล้วมนีออัลลอ์ดูแลเองเพราะว่าไว้ใจมนุษย์ไม่ได้แล้วที่ผ่านๆมาเนี่ยเปลี่ยนแปลงหมดสังขยาาหมดมีวันหนึ่งท่านไซนาอุมัดเนี่เอาคำพิดอิจินมาอา่าน พอนบีเห็นหน้านาบีไม่ดีหน้านาบีไม่ดีแล้วก็นบีก็บอกว่าความจีนคัมภีร์กูอ่านเล่มเดียวน่ะพอแล้วเพราะว่าคามัมภีร์เล่มอื่นๆก็สามขญานาเขาเปลี่ยนแปลงแะนั่นไปอ่านเนี่ยบางทีอ่านน่ะอ่านแต่ว่าบางทีเราไปเชื่อบางทีไปเชื่ออายะห์หนึ่งที่มนุษย์เติมเข้ามานะ่ะใช่ไหม แาา ต, ต, ต่บางอายะห์มาจากอัลลอฮ์ตรงๆบางอายะห์มนุษย์อัลละม่าเขาเติมเข้ามาเนี่ยฉะนั้นถ้าไปอ่านบางทีมันทําให้เราเพี้ยนได้บางทีมาจากอัลลอฮ์ก็ดีไปถ้ามาได้มาจากอัลลอฮ์แล้วมาจากมนุษย์ละ่ะแต่คุณไปนำมาไปไปฏิบัติโอ้เ น, นี่ยอัลลอฮ์นบีอัลมาเตือนไซนาอบูบการไอซะนาซะนาอุมารอย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องภูมิใจว่าเราเนี่ยมีอัลกรุรอานเป็นฉบับที่ถูกต้องที่ถูกสมบูรณ์สมบูรณ์ที่สุด และเราก็มีเวลาได้ทบทวนอัลกุรอานขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาต้าลาวันนี้เราทบทวนกูอ่านมาถึงอายาที่ 3.9 มสเกาซูรอมัรยัมนะครับ <c oughs> อ, อ้าวอ่านกันนะพี่น้องอ่านกันแล้วมาดีกี้นี่นะว่าอันซิรฮุมยาวมัลฮัสรติอิศกุดิยัลอัมร วะห์มฟีรฟลต์วะห์มลาอูมินอัลล่าคำแปลดีมากเลยพี่น้องผมว่าเอาอายา่านี้นะเขียนแปะเอาไว้ที่ฝาผนังเยอะๆแล้วก็อ่านเรื่อยๆเพราะอาย่านี้สอนดีออะดูคำแปลก่อนว่าอันซีรุมแปลว่า จงเตือนอจงเตือนพวกเขาสั่งใครเนี่ยสั่งนบีมุฮัมมัดสุลลันอัลกุสซารลัมยามุฮัมมัดมุฮัมมัดเอยสลลัอลลัมนี่นะจงเตือนพวกเขาเหล่านั้นคำว่าเตือนอธิบายยังไงพี่น้องเตือนข่าวร้ายนะไม่ใช่ข่าวดีนะถ้าบุชรอแปลว่าแจ้งข่าวดีถ้า นะรีสเนี่ยมาเตือนเรื่องข่าวร้ายๆเพราะฉะนั้นมูฮัมหมัดเอ๋ยจงเตือนเตือนใครล่ะเตือนพวกเรานี่แหละหรือว่าเตือนพี่น้องที่อยู่ที่มักกะวันนั้นหรือเตือนพี่น้องที่เป็นสคาร่านาบีที่นครมดีนนะมักกะและพวกเราวันนี้ด้วยอัลลอฮ์สั่งมูฮัมหมัดเอ๋ยจงเตือนเขาเหล่านั้นเยาวม์มลฮัสรอติ วันแห่งความเสียใจฮัสซาร์แปลว่าเสียใจจงเตือนพวกเขาเหล่านั้นให้ระวังวันแห่งความเสียใจจะมาหาท่านแน่ๆของที่อัลลอฮฺพูดในกัรพิจารณาเนื้เรื่องจริงทั้งหมดพี่น้องเรื่องจริงทั้งหมดฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮฺเตือนผ่านนบีมอมมาให้นบีเอามาสอนกับอุมมานี้ คนในประชาชาตินี้ก็คือเตือนพวกเขาให้ให้รู้นะจะมีอยู่วันหนึ่งเป็นวันที่ทุกคนจะต้องเสียใจเสียใจบนดุนยาเนี่ยยังมีคนช่วยปลอบใจนะเอาถ้าสามีเสียใจมีภรรยาช่วยปลอบมีลูกช่วยปลอบใช่ไหมลนะ่ะแต่หาไปเสียใจในลูกอาคริลอเนี่ยไม่มีใครปลอบใจใครนะเพราะต่างคนต่างเศร้าดูกันทั้งหมดทุกคนนั่นแหละ เยาวมลฮัสรอถามว่าเสียใจเรื่องอะไรเนี่ยคือเป็นอย่างนี้ตับซิดอธิบายนะอัลลอฮตับซอธิบายถ้าอา่านไม่อา่านตับซิดนะไม่รู้แต่พออ่านตับซิดปั๊บเนี่ยรู้ทันทีเลยคือไม่ว่าคนดีหรือคนชั่วเนี่ยเสียใจหมดเลยคนดีก็เสียใจคนชั่วก็เสียใจเสียเสียใจทำไมอะ่ะคนชั่วเสียใจเพราะว่า เห็นความชั่วของเขาเห็นอ้าวแล้วก็ว่าเห็นความชั่วเนี่ยแล้วก็เห็นโทษของการของทำความชั่วเห็นอะไรบ้างเห็นหมดเลยน่ะปับปบปับปเห็นหมดเสียใจแล้วก็ในใจน่ะคิดอย่างนี้นี่อัลลอฮ์เล่าเองนะนบีเล่าเองอัลลอฮ์เล่าเองบอกว่าเวลาเขาเห็นความชั่วของเขาเขาพูดอย่างงี้เขานึกอย่างงี้ทําไมฉันไม่ย่าวย่างหัวใจ ไม่ให้ทำความชั่วอันนี้นี่นี่คนชั่วจะเสียใจมากๆเลยทำไมฉันไม่ยับยั้งหัวใจฉันไปทำชั่วทำไมที่ฉันไม่ทำความชั่วฉันได้รางวัลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พอฉันทำความชั่วฉันได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันจะเรื่องเสียหายขาดทุนหมดเลยแล้วเสียใจมากวันนั้นน่ะในคัมภีร์คอานอายาอือรีบาวันนั่นงคอตก คิดอะไรไม่ออกอ่ะเสียใจสำหรับคนดีๆก็เสียใจเหมือนกันในตต้าเสตศ์อธิบายว่าเสียใจยังไงอ่ะทำไมฉันไม่ทำความดีเพิ่มทาไมฉันไม่ทาความดีเพิ่มโอ้ถ้าฉันแต่ทำความดีอายกตัวอย่างเรื่องนามาดนี่นะถ้าฉันได้รู้ขึ้นนามาแต่ฮัยุทธ์คืนหนึ่งสักสองเราก็อาจตามไปวิตเตสสัก 3, สามนี่นะ คงจะมีรางวาัลตอบแทนเห็นชัดเลยเนี่ยอัลลอสดานั่งเศร้าใจอยู่ในทุ่งมหัชช์นะ่ะอัลลอฮฺอัลกรตกลงว่าคนกลุ่มดีหรือกลุ่มชั่วชาวนารกหรือชาวสวรรค์ที่ยังไม่เข้าสวรรค์นี่นะนอนลยยืนรออยู่ที่ทุ่งมหัชช์เนี่ยทั้งสองกลุ่มเนี่ยเสียใจหมดเลยฉะนั้นเรื่องเสียใจเนี่ยมันเรื่องอันตรายมันเรื่องใครช่วยไม่ได้ทึงอัลลอฮฺได้ สอนบอกมุฮัมมัดเอ๋ยไปบอกกับประชาชนของคุณนะให้ระวังให้ดีนะมีอยู่วันหนึ่งเป็นวันที่ทุกคนจะต้องเสียใจอย่างสลุกซึ่งเสียใจทําไมละ่ะคนชั่วก็เสียใจว่าทําไมฉันไม่ยับยัง้งไม่ทําความชั่วทําไมฉันไม่ยับยั้งตัวเองไปทําชั่วทําไมส่วนคนดีก็เสียใจทําไมฉันไม่ทําความดีเพิ่มอีกนิดนึงอัลลอฮฺอัลกุบะ การนั้นความดีที่เราทำนี่นะบางทีเราทำยังไม่ครบใช่ไม่ใช่เอาแค่นามาสอย่างเดียวหลงที่เราทำไม่ครบนะเอานามาสุนัตก่อนนามาสุโบสองลักาต์บางคนไม่ได้ทําเลยนามาสุนัตโมอักกาเดก่อนนมาสุโรรมีสองหรือมีสี่มีสองรายงานก็เลือกทำเอาหลังนมาสุโรรอีกสองหลังนามาสุริบอีกสองหลังนมาสอิชาอีกสอง ทำ ห, หมด ย, ยังไม่หมดเนี่ยนามาตวิตเต็ดอีกละ่ะนามาตาฮัดจุดอีกละ่ะแล้วตอนเช้าเช้าเนี่ยนามาดูฮัดอีกละ่ะแล้วมีนามาดขอฝนอีกละ่ะนามาดอะจันจันทรุ ป, ปราคาสุ ร, ริมีนามาดสุนัตจังเยอะแยะไปหมดบางทีเราไม่ค่อยนามาดเลยนี่ไปเสียใจในวันนั้นละ่ะอลลัลลอฮฺถ้าทางชั้นได้นามาดอีกนิดนึงนะวันก็จะดีมากมากเลย ไปนั่งเศร้าใจเสียใจยังมีเป็นต้นในยกตัวอย่างนะไอความดียังมีอีกเยอะแค่นะพีสั่งให้ทํานะนะเช่นเงินทองก็เหมือนกันบริจาคหายใจอากาศแม่ถ้าฉันได้จาซองตะโกอีกนิดนึงก็จะดีถ้าฉันได้ทําบุญทายะอีกนิดนึงก็จะเห็นรางวัลมากกว่านี้หรือว่าจ่ายอะไรนะส่วนที่เป็นวาคาฟเนี่ยโอโลฉันจะได้ดูแลให้คนที่มาอาหมาที่มัสยิสดได้ชายจานสะอาดๆชายจานดีๆ ไปเสียดายในวันนู่นหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับตกลงว่าอัลลอฮสั่งให้นบีเนี่ยมาบอกกับอุมมานี้บอกว่าไงนะวันเิรฮมเยาวมัลฮัสรอจงเตือนพวกเขาเหล่านั้นให้ระวังมีอยู่วันหนึ่งเป็นวันที่ทุกคนจะต้องเสียใจอย่างมากมาย อายานี้มีสามประเด็นน ะ, ะประเด็นที่หนึ่งเตือนให้ระวังวันแห่งความเสียใจนะทั้งคนดีคนชั่วเสียใจหมดเลยนะครับแล้วก็บนนะประเด็น <cent> ที่สองอิสกูดิยัลอัมรุอิกูดิยัลอัมรุแปลว่าอะไร <S <S 2> <S 2> เมื่อกิจการนั้นได้ถูกตัดสิน เมื่อกิจการนั้นได้ถูกตัดสินอธิบายยังไงอธิบายอย่างนี้เมื่อเขาถูกตัดสินให้เข้าสวรรค์คนดีถูกตัดสินให้เข้าสวรรค์แล้วก็คนชั่วถูกตัดสินให้ลงนรกพอลงนรกเสร็จแล้วพี่น้องเข้าสวรรค์แล้วนี่นะท่านสาหิตเป็นซอฮ บ, บ้านนบีอธิบายอายา น, นี้ว่าท่านาละซูลลลอฮซุลลอฮสลามกล่าวว่า เมื่อชาวสวรรค์เข้าสวนสวรรค์แล้วก็ชาวนรกเข้านรกอยู่ยอุบินมเมาต์อัลลอจะนำเอาความตายเนี่ยมาอ่าคืออลัลลอจะประกาศชาวสวรรค์ฟังทางนี้ชาวนรกฟังทางนี้อลัลลอพาเหมือนเหมือนกับรูปรูปแกะจะรูปแพะสักตัวหนึ่งนะนี่คือความตายเห็นไหม เห็นไห้สองกลุ่มบอกว่าใช่ฉันเห็นแล้วนี่อะไรคือความตายทุกคนตอบว่านี่คือความตายอัลลอฮฺให้มาเชือดความตายเชือดความตายตั้งแต่วันนี้ตัดไปนะคนที่อยู่ในสวรรค์ก็ไม่ตายอีกต่อไปคนที่อยู่ในฝ่ายนรกก็ไม่ตายอีกต่อไปฉะนั้นจงอยู่ในนรกตลอดไปไม่มีวันตาย คนที่อยู่ในสวนสวรรค์ก็อยู่ในสวนสวรรค์ตลอดไปไม่มีวันตายทุกท่นรูว่าอยู่บนดุลยานี้ต้องตายใช่ไหมฉะนั้นเมื่ออยู่ในโลกอาเคโรแล้วจะตายอีกไหมไม่ตายแล้วนี่ไงอิสกูดิยัลอัมรเมื่อกิจการถูกตัดสินนี่กูนะที่นั่ ง, งฉะนั้นความตายนะเฉพาะบนโลกดุลยานี้เท่านั้น ต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะที่ให้เรามีความตายนะอ้าวยกตัวอย่างถ้าไม่มีความตายนี่นเราจะถูกถูกกทรมานเยอะมากเลยอ้าวยกตัวอย่างภรรยาของฟาโรภรรยาฟาโรเนี่ยเป็นมุสลิ ม, ม, า, นมานะ إيمان ต่ออัลลอฮ์ผ่านนาบีมูซาอะลัยฮิสสลามแล้วฟาโรเนี่พอรู้ว่าภรรยาตัวเองเนี่ยรับอิสลามเป็นมุสลิมผ่านนาบีมูซ่านี่เครียดมากโกรธมาก ก็ทรมานางหลายหลายชนิดครั้งสุดท้ายเนี่ยก็จะเอาหินนี่มาทุ่มนางทีนี้นางขอดู้เอาต่ออัลลอฮ์รับบิบนิลีอินดากะบายตัมฟิลจันน่ะวันัจจีนีมิีฟิร้าวนาวามาลีวันัจจีนีมินัลก่มิลลอรีมีนางขอรู้อาโอ้อัลลอฮ์สร้างบ้านให้ฉันหลังหนึ่งในสวนสวรรค์ใกล้ๆท่านน่ะแล้วก็ คุ้มครองฉันอย่าให้ไอ้เฟื่อโอเนี่ยรังแกฉันแกล้งฉันแล้วความประพฤติของฟาโรที่เร็วๆเนี่ยแล้วคนที่รอเหลมเนี่ยอัลลอฮ์อับดลาของนางอะไรนะอาซียาภรยาของฟาโรให้วิ ญ, ญญาณออกจากร่างก่อนที่ฟาโรจะเอาหินหินแล้วก็เอาอะไรนะทุ่มนางอะ่ะแั้งว่าความตายเนี่ยมันมบรรินบารักัดเหลือเกินอะ่ะถ้าหากไม่ตายนะ แล้วก็หูดถูกหินทุ่มน่ะเจ็บขนาดไหนทรมานมากมากเลยฉะนั้นอย่างเต็มเที่ก็ตายนั่นแหะคือความเมตตาที่อลัลลอฮฺให้อแต่ในอาคอริลนี่นะจะถูกทรมานมากมายแค่ไหนก็ตามไม่ตายสมานสุดกเลยฉะนั้นต้องขอบคุณอลัลลอฮฺนะที่มีความตายเกิดขึ้นเนี่ยอลัลลอฮฺว่าถ้าเราไม่ถูกทรมานไม่รู้หรอกฉะนั้นเห็นภาพในะซีเรียนะ่ะ ที่ทรมานเขค่อยทีละน้อยน้อยก็คือตายนั่นแหละขอบคุณอลัลลอฮฺจะน่าเรื่องตายเรื่องดีมากเนี่ยตัวลงว่าเรื่องตายเนี่ยดีไม่ดีทําให้เราไม่ต้องถูกทรมานเยอะถูกทรมานเล็นหน่อยพราะเจ็บมากๆก็ตายตายก็จบวิญญาณไม่มีแล้วร่างก็ไม่เจ็บแล้วแต่ในอาคีรอตกลงกันข้ามถูกทรมานมากแค่ไหนไม่ตายเจ็บไปนั่นแหละไม่ตายอาลัลลอฮฺทรมาน นี่ไงยามุญฮัลรหลเนี่ยที่อัลลอฮ์สั่งเลนะระวังให้ดีนะมุฮัมมัดจงบอกอุมมะของท่านทุกคนให้ระวังวันหนึ่งวันแห่งความเสียใจที่สุดๆอย่างนี้เป็นต้นต้องระวังคือต้องขอเอาไว้ญาณนี่นะเขียนตัวโตๆแปะไว้ที่กระจกนะให้นึกในฮัดีิสบนอื่นนะนบีอธิบายอย่างนี้ถ้าหากท่านทั้งหลายนั้นเก็บความทุกข์เอาไว้ในแหลมเดียว อย่าไปกระจายทุกบนดุลยาเนี่ยอย่าเอาอันนี้มันทุกจิกจ้อยอันนี้มันเกินขนะเป็นหนังตัวอย่างเท่านั้นเองไอ้หนังจริงๆนู่นเนี่ยอยู่ในทุ่งมาซัพนูน่นอยู่ในนรกนูน่นฉะนั้นถ้าหาว่าเก็บความรู้สึกว่าฉันจะต้องถูกทรมานในอาคีรอ ม, มากกว่านี้เราก็ต้องนึกว่าอะไรที่ฉันควรทําและไม่ทําถ้าทําอย่างนี้ถูกลงโทษอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทำทำไม ไปเสียใจในวันนูนน่ะในทุ่งมาชักน่ะแล้วแก้ตัวได้ไหมแก้ไม่ได้นี่ไงอาญานี้เตือนใจเราดีมากเลยวอประเด็นที่สามะว่าหุ่มฟีกฟละติวว่าหุมลายุอมินู ว่าฮุมฟีวอลลาเรื่องที่ท่านนาบีเล่าให้ฟังทั้งหมดนี้นะเป็นเรื่องจริงเล่าวันนี้เล่าวันนี้ให้คนชาวดุนยาได้รับได้ฟังได้เข้าใจแต่พวกเขาฟีร์ฟลาตินเพิกเฉยทำเป็นเฉยๆแล้วก็ว่ฮุมลายยมินูและพวกเขาไม่เชื่อ อ้าวไม่เชื่อก็ลองดูสิอ้าวไม่เชื่อก็อย่าอย่าสนใจศาสนาอย่าเอาศาสนาก็อยู่ไปพอเตือนแล้ว่อไงวันนี้เตือนยังอเตือนแล้วในการพิจารณาอธิบายแล้วอัลตัมซีนอธิบายแล้ ว, ว, เ, ลวเราก็บอกกันแล้วแต่อลัลลอฮ์ก็บอกคนส่วนใหญ่กอฟละเห็นไหมกอฟะนี่แปลว่าอะไรนะเ ฉ, เฉยเฉยเมยเพิกเฉยไม่สนใจ เฉยๆอล่อเอล่เลวันกียรติ์เสียใจนะเฉยเอาก็ไม่เป็นไรก็ลองดูใช่ไหยแล้วก็ลายูมีนูนไม่เชื่ออีกแถมมึงเยอะๆอีกแน่หรือเปล่าจริงเปล่าเอาลองดูตัวร้องว่าอายานี้มีสามประเด็นนะประเด็นที่หนึ่งออลลอดเตือนนะผา น, นาบีมุฮัมมัดมุฮัมมัดเอ๋ยจงเตือนประชาชาติของท่านทุกคนให้ระวังนะมีอยู่วันหนึ่ง เรียกว่าย่อมัลฮัสรอวันแห่งความเสียใจเสียใจอธิบายไปแล้วใช่ไหมคนดีก็เสียใจคนชั่วก็เสียใจเสียใจทําไมทาไมฉันไม่ยับยัง้งอะไอบาปแค่นี้มันน่าจะยับยัง้งคนชั่วคนดีก็บนอีกแม่โอถ้าฉันได้ทําความดีเพิ่ม อ, อีกนิดนึงก็จะดีมากไปเสียใจวันนู้นประเด็นที่สองอีสกูดิยาลอัมรฺ เมื่อเอาลอดตัดสินให้คนได้ไปสวรรค์ตัดสินให้คนไปนรกแล้วก็เอาความตายขึ้นมาเห็นเปล่าชาวนรกเห็นเปล่าชาวสวรรค์นี่คืออะไรความตายครับเอาลอดเชื่อดเลยเพอเชื่อปั๊บรู้แล้วว่าคุณอยู่ในนรกอยู่ไปตลอดไม่มีไม่ตายแล้วคนอยู่ในสวรรค์อยู่ตลอดไม่ตายแล้วฉะนั้นนึกนึกโอ้โลไม่ตายจะดีหรือพอ อยู่บนดุนยามันตายยังไงน่ะอ้าวอยู่บนดุนยาตายเมื่อก่อนนะเกลียดความตายก็น่าดูเลยเดี๋ยวนี้พอเข้าใจภาพเฮ อ, อความตายมันของดีอ่พะพอถูกทรมานหนักๆเข้าแค่ตายพอตายจบแต่ทำได้ไรๆนี่ไงพออ่านกูอ่านแล้วเอาล่อเพิ่มสมองเพิ่มความคิดเพิ่มสติปัญญาอังตูหลวงว่าในวันเกียรติมาตายไหมไม่ตายแล้วแต่นั่นใครถูกทรมาน ทรมานไปตลอดไม่มีวันหมดชีวิตแล้วก็จะเป็นความสุขแล้ะก็สุขตลอดเหมือนกันอัปปี้ตลอดทำดูดูแลเรื่องที่สามว่าหุมฟรฟีก็แลอธิบายแล้วนะครับว่าหุมและเวลานี้ว่าหุมเนี่ยขณะนี้คนที่อ่านกุรอ่านเนี่ยังเฉยเมย อ, อีกหรือวลาว่าหุมแลอยู่มีนูนแล้วผู้เขายังไม่ศรัทธาอีกหรือ นี่กรเตือนใจนะครับจะนั้นขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานาหูบัตอัลลที่อัลลอฮ์ให้อัลกุรอาน ล, ลงมานะครับอีกคำหนึ่งประเด็นที่สี่เยาวมุลฮัสรอเนี่ยเป็นชื่อของวันเตียมาอ่าเป็นอิสมุลมินอัสมาอียาวมินเตียมาเป็นชื่อหนึ่งของวันตียามาให้พี่น้องจําให้ดีนะเยาวมุลฮัสรอ วันแห่งความเสียใจนี่เป็นชื่อหนึ่งของวันกิยามาวันกิยามามีมีชื่อเยอะยามุลไฮซาบยามุลกิยามามีชื่อเยอะพี่ น, อน้องแต่ชื่อหนึ่งในบรรดาชื่อก็คือยาั่นยามุลไฮซาบวันแห่งการคิดบัญชียามุลกิยามาวันแห่งการตัดสินยามุลฮัสรอวันแห่งความเสียใจนะครับเอาต่อมาครับอพระค์ที่สี่สิบ อินนานะหนูนาริสุลอาลุบะวะมัน علينا وإلينا يرجعون นี <forward> ่สอนเรื่องอกคดะอายาแรกก็สอนเรื่องอกคดะอายาที่สองเนี่ยก็สอนเรื่องอกคดะเรื่องอัคดะสอนเรื่องนี้ นะฮะนูอินานาฮะนูแท้จริงเรามายถึงอัลลอ์แท้จริงอัลลอ์เป็นยังไงครับอินนาแท้จริงเรานะฮะนูก็เราเน้นให้เราเข้าใจว่าอัลลอ์เป็นเจ้าของแผ่นดินใบนี้ไม่ใช่คนอื่นตัวตะเกียร์เรอะไม่ใช่ตัวระยองหรือไม่ใช่ สโต๊ะนี้ไม่ใช่เป็นเจ้าของโลกใบนี้อัลลอฮ์เป็นเจ้าของโลกใบนี้เอาดูกุณอานอินนานาฮานุนาดิซุลอารดุเราเราเป็นผู้ครองมรดกแห่งแผ่นดินนี้เนี่ยอัลลอฮ์นี่ยเป็นของอัลลอฮ์ทั้งหมดนี่แต่ใช้ภาษาต่างกันนิดหนึ่งนาฮานุนาดิซุลอารดุเราเป็นผู้ครองมรดกแห่งแผ่นดิ น, น, น แผ่นดินนี้เป็นของเราแล้วก็อะไรอีกวัฒมันอะไรนาะและที่อยู่บนแผ่นดินนี้ก็เป็นของอ a l l a แลักใครอยู่แผ่นดินนี้นี่แหละเราตน้นไม้สัตว์ทุกชนิดที่อยู่ใต้ดินนงนอนทั้งหมดที่อยู่แผ่นดินใบนี้ที่อยู่ใต้ดินเพชรพลอย น, น้ำมันน้ามันเป็นของใครเป็นของ Allah ทั้งหมด Allah เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว นี่เตือนเราอย่าตะการ บ, บุญนักบางคนมีความรู้หน่อยนึงยิงโลมีเงินพันล้านยิงยิงทําไมเนี่ของฉันกัของฉั น, ฉนให้ดูแลให้ครอบครองชั่วคราวเท่านั้นเองลองตาอยดูสิตกประดกหมดเลยใช่ไหมเพราะนั้นอย่าตะการ บ, บุญอย่าเยอะยิงหย่อจ้องของให้นอบ น, น้อมไม่ทอมตนต่ออร่องสุภานาหัวตาตัวลองว่า แผ่นดินนะแผ่นดินนี้เป็นมรดกของฉันฉันเป็นผู้ครอบครองดูแลแผ่นดินนี้ว่ามั่นอะไรนาและสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินนี้ก็เป็นของ Allah อัลลอฮ์อ้าววัดที่วสุดท้ายว่าอีไลนายูรยาอูและพวกเขาหมายถึงมนุษย์จะถูกนำกลับยังเรา อธิบายยังไงทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นี่นะพินาศหมดเลยแผ่นดินนี่ก็บพินาศต้นไม้พินาศภูเขาพินา ศ, านาศคนตายหมดถูกฝังอยู่ในดินเมื่อเมื่อพินาศแล้วใครเหลืออยู่อลัลลอฮ์อยู่องค์เดียวใช่หไหมกุลูไอินทุกสิ่งทุกอย่างหา้ารียกอิลลาวัยฮรอบบิ เหลือแต่ Allah อง์เดียวทุกสิ่งทุกอย่างหมดอายุเว้น แ, แต่ Allah อาลาองค์เดียวเท่านั้นที่คงเหลืออยู่ตลอดไปอายานี้เตือนเรานะแท้จริงทุกสิ่งทุกอย่างดินะแม้แต่ภูเขาเนี่กลละเอียดแล้วก็บินวนนะครับแผ่นดินนี้จะพินาศหมดต้นมดต้นไม้พินาศหมดขนาดภูเขายังละเอียดแล้วเราอยู่ที่ไหนอะ่ะฉะนั้นบ้านเราอยู่ที่ไหนหมดฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างหมด ชื่อเสียงเกียรติยศ ต, ตำแหน่งที่มีอยู่หมดฉะนั้นอรรรย์เลยสั่งอย่าไปติดยึดกับไอ้วัตถุเงินชื่อเสียงเกียรติยศ ต, ตำแหน่งอย่าไปติดมีได้เพื่อเอามาพัฒนาศาสนาซะมีเงินเพื่อมาดูแลอิสลามมีชื่อเสียงเกียรติยศเอามาดูแลงานศาสนาทําให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบฮานาะฮูวาตาลาที่เตือนเราครับ เรื่องอัตฉริยะนะอ้าสรุปสองอายาแล้วนะอายาแรกเน่ะเตือนว่าระวังให้ดีนะวันแห่งความเสียใจจะมาถึงแน่แที่ว่าแน่ๆเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราฟังแล้วว่าเก้าดุลฮักคำพูดของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นเรื่องจริงหมดเลยที่เล่าในคัอักุรอานเนี่ยเรื่องโกหกไม่มีเรื่องจริงทั้งหมดแล้วก็โลกก็เดินตามอัลกุราอานอายนี้แหละ เอาต่อมาอายาที่สี่สิบดฮะเจกรฟิลกิตะบิบรอฮีมอินนูากานะซิดดิคันนบียานี่ดูสินะอัลลอฮ์เปิดสมองเราขนาดไหนเายอยายาแรกให้คิดถึงโลกลอาคิีรออายาที่สี่สิให้คิดโลกดุม่มยา เพื่อสมองเรานี่มันี่ยไม่ให้เราอันอัลไซเมอร์อัลลรอคิดอาคือว่าคิดค ด, ดุลยาเอาคิดใครอีกคิดถึงนบีอิบราฮิมเห็นยังอายะที่สี่สิเนี่ยวะซกุรมุฮัมมัดเออยจงเออยหรือจงพูดหรือจงอธิบายฟิลกิตาเรื่องราวในคำพี นะในคัมภีร์นี้แหละเรื่องราวของใครอิบราฮีมเรื่องราวของนบีอิบราฮีมเวลานาบีมีเรื่องเรื่องทุกทุกใจนี่นะอัลลอฮ์ก็จะปลอบใจนบีผ่านวาฮีนี่แหละเอาวาฮีลงมาให้นึกถึงนบีอิบราฮีมอาพี่น้องนึกสินบีอิบราฮิมอัลลอฮ์ส่งมาทำงานอะไรทำงาน ศาสนาผลสุดท้ายถูกจับโยนใส่อะไรใส่ไฟทำงานศาสนานี่แหละพี่น้องเย้ยมันงานใหญ่ขนาดไหนนะ่ะจงาทั่นกษัตริย์นงรูดเนี่ยจับโยนใส่ไฟแสดงว่าเรื่องศ า, าสนาเนี่ยมันเรื่องใหญ่มากเลยนะถ้าใครมีศาสนาเนี่ยเข้าสวรรค์อย่างเดียว แล้วคนที่ไม่มีศาสนาเนี่ยมันทำได้ทุกเรื่องแหละดูสิมันจับคนใส่ไฟขนาดไหนเนี่ยทำงานศาสนาทำงานเปลี่ยนแปลงคนน่มาเรื่องใหญ่มากเลยอาที น, นี้ัาว่าอาลัลลอ์ให้นบีอิบรอฮีมตายเปล่าไม่ให้ตายอ่ะอลัลลอ์สั่งสั่งใครนะสั่งไฟก่อนที่จะจับนบีอิบรอฮีมโยนใส่ไฟเนี่ยจิบรี ล, ลงมาก่อนอิบรอฮิม ให้ฉันช่วยอะไรไหมนาบีกยกตอวว่าถ้าชันนะฉันไม่เอาโอโ้ถ้าท่านนะฉันไม่เอาถ้าอัลลอฮ์ันเอาเ อ, าเอ้าเห็นยังนั่นภาษาอะไระภาษาที่นึกถึงแต่อัลลอฮ์อัลลอ์อัลลอ์อัลลอฮ์อัลล์อัลลอฮ์เลยสั่งนะไฟเ อ, อ่ยจงเย็นอัลลอฮ์สั่งไฟเย็นม่ได้สั่งทานจิบรีนะ ไฟเออยาหน้าเากูนี่บัลดานไฟเอ่ยจงเย็นไม่ใช่เย็นธรรมดานะถ้าเย็นแบบตู้เย็นตายวาซาลามันเย็นแล้วต้องสารติด้วยโอัลลอ์นี่ภาษาภาษากุรานเนี่ยอัลล์ชั้นหนึ่งมากเลยมนาะบัาด า, าลวาซาลามันเย็นแล้วเย็นจริงๆก็ตายอ้าวปลาอยู่ในห้องเย็นนะเป็นไงอนะ เราเนื้อซสาสโนวะชาวเนื้อกูรบาลไปเข้าคองเย็นน่ะถามมุมั ด, ม, ดมัดรูแช่เย็นชำเลยนะไม่ให้มันเน่าใช่ั้มแต่คนแช่แบบนี้จะเหลือไหมท่านอุบาสาลมันต้องมีความสันติด้วยเอาทีนี้วากูรฟิลกิตาบีอิบรอฮีมมุมัดเ อ, อ๋จงกล่าวเถิดเรื่องราวของอิบรอฮีมตามที่ปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอาน ให้เล่าจะนั่นนะ่ะพี่น้องเวลาพี่น้องจะศึกษาประวัติของใครนะอย่าอ่านตำพีอย่าอา่ า, อ า, อานตำราเล่มอื่นเยิ่งประวัติศาสตร์ก่อนบดยูซุฟนี่นะต้องอ่านจากุลอานถ้าอ่านจากเล่มอื่นมันเบี้ยวผิดเยอะข้อมีคือมีเล่าเรื่องนับดยูซุฟนะ่ะเป็นร้อยๆคนนะ่ะแต่เล่าผิดหมดเลยท่านอ่านจากกุลอานนั่นล่ะเป็นเป็น น, นะเป็นประวัติที่ถูกต้องที่สุด เพราะมาจากอัลลอฮ์สุภาอันหวาตาลาอัลลอฮ์ไม่เคยพูดโกหกนะเอา น, นี่เรื่องของนบีอิบราฮีมนี้ต้องอ่านจากคำพิเศ์กุรอ่นานนบีอิบราฮีมเป็นคนยังไงนี่เล่าแค่สองสอ ง, สองสิฟัดนะอินนาหูกานาซิดดีกแท้จริงนบีอิบราฮีมเป็นยังไงซิดดีเป็นคนที่ซื่อตรง ทำไมต้องต้องเขียนว่าทำไมต้องอธิบายคำว่าซื่อตรงซื่อตรงซื่อตรงซื่อตร ง, ตรงเพราะยิวฮูดีอลรุลกิตาบเนี่ยมีความเชื่อว่านาบีทุกคนเนี่ยนะไม่ต้องซื่อตรงก็ได้นี่ความเชื่อของคนยิวฮูดีของอารุกิตาบอ่ะภาษาอูดูเนี่ยนบีกษิ ด, ดีกห์นะฮาร์กิสลาซมีน่าฮีผมอานจากภาษาอูดู พวกยาฮูดีพวกนาซ ร, รณีเขามีความเชื่อว่านาบีที่มาในโลกนี้นะไม่ต้องพูดจริงทุกเรื่องก็ได้เห็นไหม <c oughs> แต่อลัลลอฮ์บอกว่าไม่ใช่ที่เข้านาทีตื้อพูดนะ่ะผิดที่ถูกกานาเซดีก่อนนบีทุกคนเนี่ยนะไม่มีคำว่าโกหกพูดจริงตลอดเวลา ที่เราได้ยินมาในวัานาบอบดุลบร์ฮิมพูดโกหกสองครั้งใช่ไหม น, นั่นน่ะผิดน่ะไม่เคยนบีไม่เคยพูดโกหกนบีอิบรอฮิมไม่เคยพูดโกหกในคัมภีร์ไบเบิลอธิบายว่าพูดปิดพูดโกหกสองครั้งไม่ใช่นบีอิบราฮิมไม่เคยพูดโหกหกเลยฉะนั้นนบีทั้งหมดที่มาในโลกไม่มีใครพูดโกหกฉะนั้นเรื่องพูดโกหกนั้นเป็นบาปใหญ่ นี่สอนใจเราวันนี้เหมือนกันนะแต่เฉพาะอุมมาของนบีมุฮัมมัดเนี่ยให้พูดโกหกได้สามเรื่องหนงโกหกใครนะเออโกหกภรรยาได้ต้องพูดเบาๆหน่โกหกอย่างนี้โชคยกตัวอย่างโยตยาอย่างนี้เช่นภรรยาบอกว่าพี่พี่ขอซื้อทองทุกๆทุกเดือนเดือนละบาทไม่ได้สิอินชาอัลลอฮ์ได้อย่างเงี้แต่ใจเนือก็แบบ กูได้ปีละบาทแต่นั้นแหละแต่เดือนละบาทนั้นไม่ได้โกหกแบบนี้ให้นางสบายใจได้ไหมได้แล้วก็โกหกศัตรูจับไปพูดโกหกคุณเลิกประเทศนี่ทหารไทยนี่เต็มเลยมุสลิมเป็นทหารกันเยอะมองดีโกหกศัตรูได้แล้วก็โกหกอีกเรื่องหนึง่งโกหกที่คนทะเลาะ ก, กันให้เขาดีกันเนี่ยไอ้สามรายการเนี่ยพวกเร า, เ า, ม, ามาใช้เรื่องเดียวเรื่องโกหกเมียนั่นแหละ ใช่ไมแต่อิส2รายการเนี่ยไม่มีใครนำมามาใช่ก็โกหกให้คนดีกันมีมดีมากแต่คนไม่ทำมีแต่โกหกให้คนทะเลาะกันวันนี้ใช่หรือไม่ใช่เห็นมันรักกันดีรักยุอืมแย่ไปเลยให้มันกระเจิงไปเลยนี่ความคิดของพูเราเป็นอย่างนี้วันนี้แต่ถ้าคนที่เข้าใจคุรานเนี่ยเขาจะไม่ทาอย่างนั้น ถ้าเห็นข้อดีขอ้ขอขอ้อละอย่าลอยเขาเจริญขอ้องามไปเรื่อยๆนะตัวเราบงคโกหกเนี่ยนบีทุกคนไม่ทำนะครับแล้วก็พวกเราวันนี้ก็ต้องไม่โกหกถ้าจะโกหกก็ 6, ได้มีอยู่สามเรื่องเท่านั้นเองโกหกให้คนดีกันเนี้ยได้ไหมได้ยกตัวอย่างคนนี้คนนี้สองคนไม่ถูกกันแล้วทำไงอ่ะเราก็ซื้อซื้อผลไม้ ก, ก็ได้บอกเนี่ยบ้านเนี่ยฝากา ซื้อผลไม้มาให้ท่านเฮ้ยไม่ก็แล้วมันดากุทุวัน น, ะนั่นแหะก็ซื้อฝากมาให้วางแผนของเราทั้งหมดันละจา่นั้นอันนี้ก็เบาลงแล้วอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์จะบอกบ้านนั้นนะ่ะเขาฝากของมาให้ท่านนะใช่ไหมเดี๋ยวก็ดีกันนะสองบ้านนี้นี่นะทำอย่างนี้มีรางวัลตอบแทนจาก Allah า อ, อัลลอสุบฮานาบูอาตาอลาเอามาดูนะซื้อฝากของนบีบรอฮม อินน้าฮูกาณัสิดีกอนบีอิบรอฮิมนั้นเป็นคนที่ซื่อตรงยิง่งทีนี้คนที่ซื่อตรงหลังจากบรรดาหลังจากนาบีมูฮัมมัดมีใครรู้ไหมท่านอบูบักท่านอบูบักมีชื่อว่างไงนะอัสิ ด, ดีใช่หรือไม่ใช่ใช่คนที่เชื่อนบีตรงไปตรงมาอัลลออักุบัตอัลลอ์แต่งตั้งให้แต่ไหนนะ ให้เป็นคลิฟะหลังจากท่านนาบีมุฮัมมัดศ็อลลัอฮุอะลยฮิะลัมเพราะว่าสิดดีกพูดจริงทําจริงอัลลอฮุอักบัรฉะนั้นนาบีอิบรอฮีมนไม่เคยพูดโกหกนะพี่น้องนะแล้วก็นาบียันแล้วก็เป็นนาบีด้วยนาบนีเป็นตำแหน่งที่สูงที่สุดแล้วน้องในบรรดาคนที่อยู่ในโลกใบนี้นีนะคือ น, บ, นบีทั้งบมดตำแหน่งที่สูงนะ พวกเราวันนี้ตำแหน่งที่สูงที่สุดก็เป็นอิหมามนั่นแหละเป็นตำแหน่งที่สูงที่สุดแล้วอิหมามระดับไหนก็ตามอันละสูงที่สุดแล้วนะครนบีจะเป็นได้ไหมไม่ได้อ น, นี้เบื้องต้นเอาทีนี้นบีอิบรอฮิมเนี่ยก่อนคิดสักกหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้านะเป็นนบีอยู่เท่าไหร่ มาถึงปีที่สองพันหนึ่งรอยหกสิบเป็นนบีอยู่เนี่ยเอาประวัติเนี้เล่าให้พี่น้องฟังน้องคนที่พ่อแม่เหมือนกันนะนะถ้าจะมีลูกมีหลานนะนะควรจะนําเอาประวัติของนบีอิบรอฮีมเนี่ยเล่าให้ลูกๆฟังดีกว่าเล่านิทานอีศรบใช่ไหมนะอัานนานๆก็ได้นิทานอิศรแต่ว่าพยายามอ่านประวัติของนบีอิบรอฮีมอ้าวเช่น นางฮาจัดที่หมอน้ําำดำๆใครฝีมือใครครอบครัวนบยบิบรโฮีมหมดเลยที่เดินตะว่าวันนี้ที่เดินแสเนี่ยของใครนางนางฮาจัดเชื่อกุรบาลนายบิบรอลฮีมกับนาบีอิสมาอินทั้งหมดเหล่านั้นเป็นที่มาของาศาสนาอิสลามทั้งหมดเลยฉะนั้นโคนยฮูดีทะเลาะ ก, กันยูก็ทะเลาะ ก, กันกับคนคริสเตียน คนคริสเตียนบอกว่านาบีอิบรอฮีมเป็นคริสตคนยิวก็บอกว่าอิบรอฮีมเป็นยิวอัลลอฮ์บอกไม่ใช่นบีอิบราฮิมเป็นมุสลิมตอบจบเลยนบีอิบรอฮิมเป็นมุสลิมมุสลิมแปลว่าอะไรคนที่ยอมจำนนตนต่ออัลลอฮ์โดยสิ้นเชิงอย่างพวกเราวันนี้เป็นมุสลิมเพราะเรายอมจำนนตนต่ออัลลอฮ์แล้วก็เชื่อนบีมุฮัมมัดสลุลต่านนะอิลราฮิมนะครับเอ้าต่อมา ต ένα, ัวลงว่าอาย่านี้ต้องการที่จะเคลียร์นะเคลียร์อากิดาของชาวคริสเตียนอากิดาของชาวยหูดีที่พ um. ูดว่านบีไม่จำเป็นต้องพูดจริงเสมอไปคุณอ่านนี้ไปลบล้างหมดเลยนะครับอายาที <gr dormir. S 2> 爸爸่42 mm. ิอิกาลลิอบียาอบติลิมาต่าบุดมาลายัสมาวะลายุบัซร ولا يغني عنك شيئا يا أبتي ลิ إذ قال ل أبي يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا เรื่องนบีอิบรอฮีมเนี่ยอัลลอยิ่งใหญ่มากเลยอ้าอายาที่สี่บอธิบายอย่างนี้อิสต์แปลว่าจงรำลึกถึงจงนึกถึงเรื่องเก่าๆจงรำลึกถึงใครเมื่อกลาลอาบีฮเมื่อนบีอิบราฮีมพูดกับบิดาของเขาใครสอนใครในงานเนี่ยลูกสอนพ่อ อลูกสอนพ่อสอนว่ายังไงพ่อชื่ออะไรพ่อของนบีอิบราฮิมชื่ออะไรนะนายอาัชื่ออาจัดมีอาชีพปั้นรูปปั้นขายแล้วก็กราบรูปปั้นด้วยแปลกนะมาจะครอบครัวที่บูชารูปปัน้นสร้างรูปปัน้นขายรูปปัน้นกราบรูปปัน้นแต่ลูกไม่เป็น เห็นยังลูกไม่เป็นอ่ะสําดีขนาดไหนอ่ะหัามดูเลยเลยลูกไม่เป็นอย่างครอบครัวคันั้นว่าสิ่งสิ่งสิ่งแวดล้อมเนี่ยสิ่งแวดล้อมเนี่ยบางทีมันก็ทําให้คนเสียหายเนี่ยเยอะนะแต่บางครั้งบางครอบครัวเอาล็อคุ้มครองพ่อเลวขนาดไหนก็ตามแต่ลูกไม่ไม่เสียใช่ไหมอ้าวนี่พ่อนี่ชั้นหนึ่งเลยนะ นี่อัลลอฮ์ต้องการจะสอนว่าวิธีดะวะการเผยแผ่อิสลามที่ดีเอารูปแบบของนบีอิบราฮิมไปใช้ดูสิภาษาที่พูดนี่นะพูดกับพ่อเนี่ยเป็นภาษาที่ไพเราะมากเป็นภาษาที่มีมารยาทที่งดงามที่สุดอ้าวภาษายัางไงยะอาบาติโอ้พ่อโอ้คุณพ่อจา๋าอัลลอ ฮำว่าอบัติเนี่นะเป็นภาษาคุรานที่งดงามที่สุดพร้อมด้วย ม, ะมะรารยาทอัลลอฮฺยะอาบตโอ้คุณพ่อที่รักจา๋าลิมาตาบูดูท่านไปเคารพพักดีบูชาลิมาตาบูดูพ่อจา๋ชาชะไหนลีมาต์ว่าทำไมนะทำไม ท่านพ่อจึงเคารพบูชามาลายมาวอันที่มิได้ยินอ่าไปบูชาสิ่งที่มันมันมันมั น, มนไม่ได้ยินวาลายูบซรุแล้วก็ไปไปบูชาสิ่งที่ไม่เห็นสิ่งที่พ่อบูชาเนี่ยได้ยินเสียงก็ไม่ได้ยิน เห็นก็ไม่ได้เห็นพ่อไปบูชาทำไมพูดเพราะไ้ยเพราะมากพูดดีๆนะ่ะพ่อจะสิ่งที่พ่อบูชาอยู่เนี่ยนะเห็นก็ไม่เห็นได้ยินก็ไม่ได้ยินอร่อยนี่อร่อยเล่าภาษาของนบีอิบรอฮีมเลยพูดดีมากเลยฉะนั้นนี่แต่เป็นข้อเตือนใจอ่ะเวลาพ่อทำผิดเนี่ยลูกเตือนต้องเตือนพ่อด้วยมารยาทที่งดงาม ไม่ใช่เยอะยิงจองห้องอวดดีพูดเสียงดังตะคอกนั่นไม่ใช่ฉะนั้นมารยาทอยู่บนดุนยาใบนี้เอาอัคราของนบีอิบรอฮีมไปใช้พูดกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคนที่มีอายุสูงกว่าเรามากกว่าเราต้องพูดจาดีๆเห็นเขาทำผิดอยู่ก็จริงอ่ะแต่ต้องพูดดีเหมือนใครเหมือนนบีอิบรอฮิมเนี่ยอัลลอฮ์เล่าว่ามุฮัมมัดเอ๋อดูตัวอย่างนาบีอิบรอฮีม ในการเผยแผ่ศาสนาเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดต้องพูดดีดๆแล้วต่อมาครับวแลยุรนีอังกชยัยอาและสิ่งที่ท่านบูชาอยู่นี่นะไม่ทั้งไม่ได้ยินแล้วก็ทั้งไม่เห็นด้วยเนี่ยมันอะไรมันไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออันใดแก่ท่านได้เลย ที่คุณบูชาอยู่นี่นะวันเกียมาเนี่ยช่วยเหลือคุณไม่ได้บนดุญยาก็ช่วยไม่ได้ยังอิห ม, ม, ม, ม, ม่ามเมื่อกี้เนี่ยมมัดอ่านปฏิมาตนมาซุบเนี่ยไม่อยู่วักหนึ่งว่าสุทายวลายะคอฟวองบาฮาเขาไม่กลัวบ้านปลายของชีวิตหมายถึงขณะที่ยืนอยู่ในท่วงมาชาดเนี่ยเขาไม่เคยนึกตรงนั้นเลย ถึงได้ทำอะไรทุกอย่างบนโลกดุนยาไปนี้แต่ท่นคนที่ทำอะไรทุกอย่างบนโลกดุนยาไปนี้ก็คือคนที่ไม่คิดวันสุดท้ายที่ไปยืน อ, อยู่ที่ทุ่งมาชาัดเนี่ยเขาไม่ได้คิดถ้าเขาคิดถึงวันนั้นเยอะๆนะความชั่วเขาไม่กล้าทำวาลายค อ, องอกบาเขาไม่เคยคิดว่าตอนสุดท้ายวันสุดท้ายที่ไปยืน อ, อยู่ที่ทุ่งมาชาัดน่ะเขาจะพบกับอะไร เขาไม่กลัวเพราะไม่กลัวก็ทำทุกอย่างที่ขวางอะไรที่ถูกใจทาหมดทั้งๆ ท, ท, ที่ผิดคำสั่งของอัลลอฉันก็จะทำเพราะเขาไม่กลัววาลายาคอฟุอองกบ่าเขาไม่กลัวบ้านปลายของชีวิตของเขาตัวร้องว่านาบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นคนที่พูดจาดีนับกับคุณพ่อนะแต่คุณพ่อเนี่ยพูดจาไม่ดีกับนบีอิบรอฮีม เวลาจะเรียกนะไม่เคยเรียกลูกจ๋าเลยไม่เคยเรียกอฮิม <laughs> อิบรอฮิมอ้อนวอนว่าในคัมภีรอันอื่นอนธิบายว่าว่านบีอิบรอฮิมเรียกพ่อแต่ละคําแต่ละคํานั้นเรียกพ่อเรอะมากพ่อจ๋าคุณพ่อที่รักจ๋าแต่เวลาพ่อนะไล่อิบราฮิมออกจากบ้านเด็นไปเลยห่างอิบรอฮีมไม่เรียกว่าลูกจ๋าด้วย เห็นยังท่านแสดงว่าคนที่ไม่มี إ ي م านคนไม่มีอัลลอฮ์อยู่ในหัวใจคนไม่มีอิสลามเนี่ยพูดจาได้ทุกเรื่องแหละสําคัญนะอายามนั้ น, นบอบดุลบรอหฮิมเรียกคุณพ่อคุณพ่ อ, พอจ๋าแต่อาซัดเนี่ยไล่ลูกชายออกเองออกไปเลยบ้านฉันไม่ให้อยู่แล้วก็เรียกอิบรอฮิมถ้าพวกเราเป็นไอฮิมอย่างนี้เป็นทนนี่อัลลอฮ์เล่าให้เราฟัง ข้อสรุปก็คือคนมีศาสนานั่นก็มีอัครากดีนิสัยดีอย่าลืมนะมีความรู้อย่างเดียวไม่มีอัครากเนี่ยจบไหมจบเอาล่ะลูกเรียนปัญญาตรีปิญญาโทมาแต่อัคลากไม่ดีเนี่ยเราเองก็เศร้าใจใช่ไหส่งเรียนหนังสือตั้งเยอะดูสิพูดกับพ่อมันพูดอ๋อหออักุบร <c oughs> นะักอุสบิ ล, ลาฮิมิ ล, ลเลกนะเอาที่นี่ อัยสุดท้ายพี่น้องยาอาบติอินนิกรดเอานิมินัลไลลมิมาลัมยาติกาฟัตตบิอนีอะ์ดกศิรอตนซาวยานบีอิบราฮมเรียกพ่อนะยาอาบต คุณพ่อจะอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮ์เล่าไม่โกหกทุกอย่างที่มาจากอัลลอฮ์เรื่องจริงทั้งหมดพ่อจะาอินนีแท้จริงฉันจะอนีก็จะจะอันีมีนอลไลมีได้มีความรู้นะครับความรู้ knowledge นี่นะนะอันถูกต้องจากอัลลอฮ์นี่นะมีนอลไลมีก็จะจะอันี้มาหาฉันแล้ว ความรู้ที่ถูกต้องที่มาจากอัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์ได้ให้แก่ฉันแล้ววันนี้นี่ใครพูดนะนบีอิบรอฮิมูตกลงว่าคนไม่มีความรู้กับคนที่มีความรู้ต่างกันไหมต่างกันคนที่มีความรู้ก็ต้องเรียนอีกว่ารู้วิชาอะไรวิชาที่ดีที่สุดนี่อุลามะอธิบายนะอัลลมูดตรงนี้มีอยู่สองความหมายหนึ่ง ความรู้แสวงหาความรู้เรื่องวิชาเตาเฮตเรื่ององนะัลลอฮ์ใครที่เรียนรู้เรื่องอัลลอฮ์น่ะวันนี้อานหนังสือมาอ่านก็ได้หนังสือเยอะมากใครที่เรียนรู้เรื่องเตาเฮตว่าอัลลอฮ์อยู่ไหนอัลลอฮ์เป็นยังไงสิฟัดอัลลอฮ์มีเท่าไหร่นี่นะเรียนศึกษาให้รู้จะให้ใ ห, ให้ให้เข้าใจนบีอิบรอฮิมอัลลอฮ์ให้ความรู้นี่ผ่านบรกิการเลยเออไปไม่ต้องเรียนอิลฮามให้วไวให้ใช่ไหม นบีผู้มายก็เหมือนกันโนเลจอัลลอฮ์ให้เป็นความรู้เรื่องเตาเผดเรื่องที่สองเรียนรู้เรื่องอีมานอ่าเรื่องอีมานอีมานแปลว่าการศรัทธาเนี่ยเรื่องอัลลอฮ์และเรื่องอีมานเป็นความรู้ที่สะอาดที่สุดถ้าใครรู้สองเรื่องนี้นะเรื่องเตาเผดเรื่องรู้จักอัลลอฮ์อัลลอฮ์มีองค์เดียวและอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอีมาน พี่น้องคำว่าอีมานเนี่ยมีสาขาเท่าไรสาขาของอีมานมีทั้งหมดเจ็ดสิบกว่าสาขานี่งเว่าไปเรียนเรื่องอีมานก่อนไปก่อนที่จะเรียนกุรานให้เรียนเรื่องอีมานก่อนเรื่องอีมานนี่ต้องเรียนจากในบ้านพ่อแม่สนับสนุนให้ลูกเล่นดนตรีอะไรอ่ะ สมัยก่อนเราได้ยินลูกๆเนี่ยผ้ากระดูร้อนจะมาแล้วนะเด่นดนตรีร้องเพลงเต้นรำอะไรนะอะไรโ ด, โดโดอะไรขอ ง, ของญี่ปุ่นของอะไรเนี่ยพี่น้องอันนั้นมันปลายเหตุ น, นี่นะไอ้เรื่องใหญ่ๆคือปกป้องลูกเราไม่ให้ตกนรกก็มีอยู่สองวิชาวิชาเตาเทศให้รู้เรื่องอัลลอ์แล้วก็เรื่องเรื่องอีมานอีกเจ็ดสิบสาขา คุยในบ้านศึกษากันในบ้านนี่แหละอิชาร์ลอร์ลูกเราไม่ตกนรกแต่ถ้าไม่มีสองวิชานี้นะเตรียมเลยมันแสดงตั้งก่อนก่อนตกนรกแล้วมันด่าพ่อมันน่ะมันด่าย่อมันน่ะมันแสดงตั้งบนดุนยาแล้วเพราะลูกไม่เข้าใจศาสนาไงใช่ไหมให้มรดกไม่ให้ก็ด่าเขาบางทีขอ่าขอยอตายไวๆจะได้มรดกนั่นคนไม่มีาศาสนาทั้งหมด เพราะฉะนั้นถ้ามีอีมานแล้วก็มีเตาวฮ a t นะอัลฮ yes. ัมด okay, so. ุลิลลาฮฺอัลลอฮฺอักบัรปลุกปั๊บขึ้นปุ๊บถ้าไม่เอาสัตว์นาเนี่ยปลุกครึ่งชั่วโมงไม่ขึ้นคุณนอนเฉยอ้าวโอ่น้องนี่นบีอิบราฮีมพูดว่าไงนะยาอาบบติอินนีกอจาจาอานีมินัลอิลมีคุณพ่อจ๋าแท้จริงได้มีความรู้มายังฉันแล้ว ความรู้อธิบายแล้วนะอุลมามะอธิบายเตาเทศกับอีมานะครับสองเรื่องนี้สอนกันในบ้านเลยเจ่น้องแต่ท้านพ่อวันนี้เนี่ยค้าขายอย่างเดียวไม่พอแล้วต้องเอาเวลามาเรียนาศาสนาด้วยจะจะสอนลูกได้เหมือนใครเหมือนท่านอบูท่านไซนาอุมัดราเรียนรอวนันหนก่อนเป็นคลิฟาเนี่ยทำธุรกิจที่ตลาดนะเขามีเพื่อนอยู่สองคนอีกคนหนึ่งคามีเวร วันนี้ฉันมานั่งตลาดคุณไปเรียนกับกับท่านนบีวันที่สองฉันอยู่กับนบีคุณมานั่งติดตลาดไอ้คุณจะไปเรียนความรู้มากับมาบอกฉันด้วยเข้าหาความรู้ด้วยแล้วก็หาเงินด้วยนี่ตัวอย่างคนที่ดีเขาทำกันในอดีตเนี่ยเขาไม่ได้ทิ้งาศาสนาเขาหาเงินแล้วก็หาอหมานพร้อ ม, พ ร, อมพร้อมกันจะนั่น หาอีมานเนี่ยต้องหาจากไหนหาจากคําสอนของท่านนาบีแล้วก็เรื่องเตา heat ก็ผ่านนาบีนะครับมาลัมยะตีกะซึ่งท่านไม่ซึ่งมิได้มีมาแก่ท่านที่ท่านนะไม่มีจะมีอยู่ที่ฉันแสดงว่าความรู้นี่นะคนที่มีความรู้คนนั้นแหละเป็นคนที่อัลลอฮฺเมตตา ใครที่ไม่มีความรู้อย่างคุณพ yourself, อ่อนบีอิบรอฮีมคืออาดัลความรู้ไม่มีความรู้อย่างอื่นเรื่องปั้นรูปปั้นชั้นหนึ่งยกให้เขาเลยกราบยังไงชั้นหนึ่งกราบให้สวยกราบยังไงต้องถามอาดาตแต่จะเรื right another, ่องความรู้ที่พามาให้ตกนรกต้องผ่านนบีอิบราฮิมอ้าวความเรื่องเรื่องเรื่องดุลยาก็ถามอาดัลคุณพ่อของนบีอิบรอฮีมกราบรูปปั้นยังไงให้สวยให้รอทํำยังไงมองท่าเขา หัวเข่าวางยังไงมือวางยังไงเอาไว้ที่นาผาก็ที่จะูมกหรือที่ปลายท่าต้องดูตาอาจรแต่จะเอาเรื่องไปสวรรค์ต้องผ่านนาบีอิบราฮีมอะไรทีสลามีอยู่สองเรื่องเรื่องเตาเทสกับเรื่องอะไรนะเรื่องอีมานอีมานมีทั้งหมดเจ็ดสิบกว่าสาขานะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสักสีห้าสาขาฟัตตาบิอานี ดังนั้นจงเชื่อฟังฉันอัลลอ์ลูกบอกพ่อพ่อจะเชื่อลูกเธอฟัตบิยานีอะดิกาซิรอตันสวียฉันจะนำพ่อสู่หนทางที่ราบรื่นพ่อจะเชื่อลูกเธออ่าแล้วก็ฉันเนี่ยจะพาพ่อไปสู่ทางที่อัลลอ์พอใจที่ราบราบรื่น อุลามะอธิบายอย่างนี้พี่น้องในตับเสดมาจีดีเป็นภาษาอุรดูนะแต่ตับซส ท, ที่พิมพที่ในซาอุดีนะนะที่เราพี่ต้อนรับรองแล้วนะก็บอกว่าอายาณนี้ให้ความรู้เพิ่มเติว่าหนึ่งคนไม่รู้เนี่ยให้ศึกษาหาความรู้จากคนรู้อ่า ค, คนมันต้องมีครูนะอ่าต้องมีครูอันที่สองอนุญาตให้พ่อหาความรู้จากลูกๆได้ เขียนดีนะอนุญาตให้พ่อหาความรู้จากลูกได้ดีไหมทำนิลิยาทุกเรื่องเลยหาจากลูกได้ลูกจบคอมพิวเตอร์มาเนี่ยสอนพ่อหน่อยไม่มีปัญหาสอนเลยปับๆเอานาบีอิบราฮิมเป็นตัวอย่างนะเรื่องที่สามความประเสริฐบางคนน่ประเสริฐพาะตระกูลดีนะตระกูลอยู่เป็นสุขพองกันน่าดูเลย กับอะไรนะความประเสริฐของคนที่มีคุณธรรมเลมากความรู้อลัลลอฮ์ยกอันไหนมากกว่ากันจากตรงนี้อลัลลอฮ์ยกคนที่มีความรู้และมีมารยาทนามถึงจะตตะกูลดังแค่ไหนก็ตามถ้าไม่มีโนเลจไม่มีความรู้และไม่มีอัคลากสินงดงามอาลัลลอฮ์ไม่ยกย่องอถึงจิตตะคุณดังแค่ไหนก็เชิญเธอเนี่อาย่านี้สอนเราสามเรื่องนี้เป็นทับซีย ข, ของภาษาอุรดู ตัวองว่าความรู้เราต้องเรียนตลอดเวลาฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมต้องเรียนตลอดเวลาเรียนกว่าจนถึงวันตายข้อที่สองอนุญาตให้พ่อเนี่ยหาความรู้จากลูกชายได้ไม่ต้องเสียเงินต่อไปมหาวิทยาลาตรงใจเยอะใช่หไหมลูกสอนพ่อหน่อยไม่มีปัญหาเรื่องที่สความประเสริฐทางเชื้อสายกับความประเสริฐทางคุณธรรมและความรู้นั้น อัลลอฮ์ยกย่อมคนที่มีคุณธรรมและคนที่มีความรู้มากกว่าคนที่ตระกูลมันดังหน้าดูเลยแต่ความรู้ไม่มีอัคราก็ไม่ดีอัลลอฮ์ไม่ยกเนี่ยคุอณอ่านอายานนี้พี่น้องครับผมได้นําเอาอีมานเจ็ดสิบข้อเนี่ยมาเล่ามาทันพี่น้องสักสิบข้อนะหนึ่งอีมานต่ออัลลอฮ์สองอิมานต่อรอซูลสามอีมานต่อคัมภีคืออิมานหวข้อเนี่ยนะ เอาข้อที่เจ็ดก็แล้วกันอีมานตายแล้วต้องฟื้นต้องไปเรียนรู้จ่ะคุณแม่ต้ออธิบายให้ลูกฟังลูกนะตายแล้วต้องฟื้นนะอย่าหลงดุญยานะอาจารย์ซนดิเล่าผมฟังคือเล่าทางทีวีผมประจามานะคนที่นอนดูอ่าไม่อ่านตอนนอน ไม่เอาไม่ไม่อ่านดวอาตอนนอนไอพี่น้องนอนแบบเราเร า, เานอนสมัยก่อนนั่ตเราีะเราเก่งขึ้นนะเรา อ, า อ, อา่านตรงดวอาเป่าดุนเป่านี่กันเยอะเขาเอากล้องวิดีโอเนี่ยไปจับจับคนที่นอนไม่ได้อ่านดวอาเนี่ยปรากฏว่าพอนอนตอนกลางคืนเนี่ยตัวมันลอยขึ้นลอยแล้วก็แทบปุ๊บลงมาลอยระบาดปลกลงมาถามว่าใครจับให้มันลอยอ่ะ มารู้สึกตัวเรากลองวิงโอมันจับอะถึงนบีเรียสั่งบวชทำไมไม่อ่านดวอาก่อนนอนอ่านเธอนบีสั่งขอร้องให้อ่านเธอนี่ ก, นก็ไม่อ่านก็ไม่อ่านก็เอาวิดีโอไปจับดูเพราะอะไรเขาไม่ได้นึกถึงตรงนี้หรอกนึกเรื่องอื่นมากกว่าตัวมันลอยขึ้นมานะเห็นยังนะเนี่ยช้ตอนมันอุ้มอ่ะถามว่าใช้ตอนอุ้มกับมาเลก้าอุ้ม อ, มอนาดีกว่ากัน ท่านคนที่มีาศาสนาคนที่มีตาเทศมีอิมานเนี่ยเขต้องถึงนบีก่อนใช่ไหมาล่ะอัลลอฮฺมาเลกาอุ้มกับไซตันอุ้มอ่ะเอาไงให้มาเลกาอุ้มดีกว่าไซตันอุ้มมันกระแทงลงมาตกใจตื่นผีเข้าผีอามตามมาเต็มไปหมดเลยนะฉะนั้นคุณน้องครับเรื่องเล็กๆในน้อยที่นบีสั่งําเลยอย่าขวางนาบีอา้าวคนที่ขวางนาบีเป็นยังไงอะไรนะ อินาชาเนียกาหัวลอับตัดแท้จริงคนที่เป็นศัตรูกับนบีเป็นศัตรูกับคําสอนของนบีน่ะอาบตัดขาดทุนทั้งหมดเลยเนาะนี่จับเรื่องวิดีโอเรื่องนอนอย่างเดียวนะยัองอื่นดิล่ะที่กินข้าวไม่อ่านบิสมิลลาเราไม่รู้นะ่ะเราจะแฉะในวันกิยามัอดอ๋อผููซี่ลอชัดตายจริงลอแค่เข้าห้องน้าไม่อ่านดุอาฉันถูกอะไรในในใ น, ในส้วมอ่ะไม่ช้าคงเห็นน่ะ ให้เห็นหมดล่ะอ่านบิไม่อ่านบิสมิลลาห์ร่วมหลับนอนกับภรรยาดูอาไม่อ่านเป็นยังไงอลัลลอฮฺจะให้เห็นวันหนึ่งจะสดายอาลัลลอฮฺย้อนรอดขอแต่งงานใหม่ถเอถอะก็จะทํายังถูกต้องแรือแก้ได้แต่งทำไมอย่างนีเป็่น้องนี่เล่าใจพี่น้องฟังว่ายึดสุนนะของท่านนาบีให้แน่นพี่ น, น้องต้งหลายแล้วก็เรียนองค์ดูอาท่องให้หมดอทำอยู่เลยเลยท่องไม่จําเปิดหนังสือดูก็ไม่มีปัญหานะครับเอาวันนี้ มรไนีนะครับ سبحان ัค Allahumma bihamdika ฮะดุลาอิลาอิลลอัตะ أ س ت ق ر ك ت و ب إليك وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته